โมคราจสดาสโตอัตานุดิทิ่งอูหจัจะเอวังมัจจุตโรสิยาเอวังโลกังอเวคันตังมัจจุราจานปัสติตีบัตนี้จะแสดงพระธรรมเทศนา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 ที่จะจรเข้ามารบกวนจิตใจอันจะทำให้เสียซึ่งประโยชน์ที่จะได้จากการฟังซึ่งพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระศาสดาตามบทพระบาลีข้างต้นนั้นเป็นบทที่พระองค์ท่านได้ตรัสแก้ปัญหาธรรมของโมคราชมานบซึ่งมีใจความว่าดูก่อนโมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ พิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่าเถิดแล้วถอนความเห็นว่าเป็นตัวตนเสียพึ่งเป็นผู้ข้ามพลม จ, จุราชด้วยอาการอย่างนี้บุคคลผู้พิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้ม จ, จุราชย่อมไม่เห็นทีนี้เราก็มาดูคำถามของโมคราชมานนกันบ้างเพื่อจะได้เข้าใจถึงคำที่พระผู้มีพระภาคตรัสมากขึ้น โมคราชมานพนั้นทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลพิจารณาเห็นโลกอย่างไรมัจจุราชจึงมองไม่เห็นมัจจุราชหรือความตายนั้นเราทุกคนล้วนทราบกันดีและคงไม่มีใครใครอยากจะพบเจอด้วยกันทั้งนั้นแต่ไม่ว่าในสมัยใดก็หามมีผู้ที่จะรอดพ้นจากมัจจุคือความตายไปได้ไม่เว้นเสียแต่พระผู้มีพระภาค และเหล่าสาวกอรหันของพระองค์เท่านั้นที่รอดพ้นจากมัจจุไปเสียได้เพราะพระองค์และเหล่าสาวกอรหันของพระองค์ได้เข้าถึงอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตายที่ไม่ตายนั้นก็เพราะว่าทรงได้กำจัดเสียแล้วซึ่งเชื้อของการเกิดเพราะถ้ายังมีเกิดก็ยังต้องพบกับความตายอยู่ร่ำไป แล้วการเกิดตายบ่อยๆนั้นไม่ดีหรืออย่างไรแล้วทำไมคนเราถึงไม่อยากที่จะตายอันนี้ก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้ลองพิเคราะห์ใครครวรถามตัวเองดูว่าเพราะอะไรอัตมาภาพได้มีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนส่วนมากจะพูดตรงกันคือว่าไม่อยากที่จะไม่เกิดยังอยากที่จะเกิดอีก การที่ไม่เกิดนั้นฟังดูแล้วเป็นเรื่องน่ากลัวที่ยังอยากเกิดนั้นบางคนก็บอกว่าอยากเกิดเป็นเศรษฐีบางคนก็อยากให้เกิดมาแล้วหน้าตาดูดีบางคนในชีวิตนี้ไม่สมหวังก็เลยปรารถนาที่จะเกิดอีกเพื่อทําในสิ่งที่ไม่สมหวังให้สําเร็จซึ่งบุคคลเหล่านี้ยังเป็นผู้ยินดีในการเกิดตายเกิดตายอยู่ แต่ในระหว่างที่มีชีวิตอยู่นั้นก็กลัวการที่จะได้พบกับความตายอย่างเช่นเรากำลังสนุกสนานกับการได้อยู่กับคนที่รักหรือสังสรรค์กับเพื่อนแล้วรู้ว่าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านั้นความตายจะมาเยือนบางคนก็คิดว่ารีบใช้ความสุขที่มีให้คุ้มค่าก่อนตายแต่ในขณะที่ความตายเข้ามาเยือนจริ ง, รงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องกลัวกับการ พบกับมัจจุจนได้บางคนก็กลัวกังวลล่วงหน้านานทําให้ความสุขที่กำลังได้รับกลับขาดสูญไปต่อหน้าทิ้งไว้แต่ความทุกข์อันเกิดจากการที่มัจจุราชจะมาเยือนแล้วทำไมคนเราจึงมองความตายว่าเป็นเรื่องไม่ดีเล่าก็เพราะความตายเป็นการนำมาซึ่งความพลัดพรากสูญเสียและพลัดพรากสูญเสียอะไรไป จึงทำให้คนเราถึงกลัวกับความตายกันนักสรุปลงให้ง่ายเข้าใจง่ายก็คือความตายนำมาซึ่งความพลัดพรากสูญเสียจากความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้จากครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงสมบัติเงินทองสิ่งต่างๆรอบตัวและร่างกายอันนี้ที่เราถือว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งความสูญเสียความสุขนี้เอง เป็นเหตุนำมาซึ่งความกลัวคือกลัวที่จะต้องเจอกับความตายฉะนั้นคนเราจึงไม่ชอบไม่อยากประสบพบกับความตายด้วยอาการอย่างนี้แล้วเราจะมีวิธีที่จะต่อกร ก, กับมัจจุราชอย่างไรดังคําช่วงแรกของคําตอบที่พระองค์ตรัสตอบโมคราชมานพนั้นก็เป็นเครื่องมือสําคัญที่เราจะเอาไว้ใช้สู้กับมัจจุราชนั่นก็คือ สติท่านสอนให้เป็นผู้มีสติทุกเมื่อหลังจากนั้นก็ พ, พิจารณาเห็นโลกให้เป็นของว่างเปล่าส่วนในของการมีสติที่ทรงตรัสนั้นก็คือสัมมาสติการระลึกชอบแล้วระลึกอย่างไรจึงเป็นการระลึกชอบพระพุทธองค์ทรงสอนวิธีฝึกสติไว้อยู่ถึง40แบบมีอนุสติ10ต้น แต่ในที่นี้จะขอแสดงแค่วิธีที่เรียกว่าอาณาปานสติเพียงอย่างเดียวอาณาปานสตินั้นคือการมีสติรู้ลมหายใจเข้าและหายใจออกซึ่งการตั้งสติดูลมหายใจนั้นต้องไม่เป็นการบังคับลมเพียงแค่เรากำหนดรู้ลมที่เข้าและออกไม่ได้เป็นการแต่งลมว่านี่กำลังจะเป็นลมเข้านี่กำลังจะเป็นลมออก เพียงแค่รู้เฉยๆอยู่ที่ตรงจมูกของเราไม่ว่าจะเป็นต้นจมูกกลางจมูกหรือปลายจมูกก็สุดแท้แต่ว่าเราเห็นลมชัดตรงตำแหน่งใดก็ให้เราตั้งสติของเราคอยรู้ลมอยู่ตรงนั้นอยู่เรื่อยๆไม่ต้องตามลมว่าเข้าไปไหนหรือออกไปไหนถ้าเผลอสติออกไปรู้ว่านี่คือความคิดก็ไม่ใส่ใจกับความคิดนั้น แล้วก็ดึงสติกลับมาที่ลมหายใจดังเดิมทำเช่นนี้กับการที่เราจะเผลอสติจากลมไปในที่อื่นๆเช่นร่างกายหรือเสียงที่ได้ยินเมื่อเรามีสติเห็นลมอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ใจก็จะสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาคือการที่ใจเรารวมลงมีอารมณ์เป็นหนึ่งคือมีอารมณ์เดียวซึ่งก็คืออารมณ์ของการหายใจ ใจสงบสบายเป็นใจที่อ่อนไม่กระด้างควรแกการนำไปพิจารณาแล้วพิจารณาอะไรท่านก็สอนให้พิจารณาโลกให้เป็นของว่างเปล่าพิจารณาอย่างไรจึงจะเห็นว่าโลกเป็นของว่างเปล่าก่อนอื่นก็ต้องพิจารณาดูให้เห็นว่าโลกนี้มีอะไรบ้างต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่อง สัตว์น้อยใหญ่ผู้คนมากมายและอีกหลายสิ่งแล้วแต่ที่เราจะนํามาพิจารณาแล้วก็ใช้ใจที่สงบเป็นสมาธินั้นพิจารณาว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นของเที่ยงหรือไม่แต่งสลายไปตามการเวลาได้ไหมใช้ใจพิจารณาให้เห็นถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นบ้านเมื่อพังหรือโดนทุบทิ้ง ก็ไม่เหลืออะไรที่เป็นบ้านหลงเหลือไว้แต่ความว่างเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เวลาตายแล้วก็ผุพังย่อยสลาย ห, หายไปเหลือไว้ก็แต่เพียงความว่างเปล่าเช่นเดียวกันแม้กระทั่งตอนนี้และเดี๋ยวนี้ร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันก็ไม่พ้นที่จะกลายเป็นของศูนย์ดังเช่นสิ่งอื่นๆพึงใช้ใจที่สงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั้น พิจารณาสิ่งต่างๆอยู่อย่างนี้เนืองๆจนใจเกิดความรู้ความเข้าใจอยู่ภายในใจว่าสิ่งต่างๆล้วนแล้วแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเมื่อไม่เที่ยงดังนี้แล้วใจเรายังผูกพันยังยินดีพอใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องประสบกับความทุกข์เพราะต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่ยินดีพอใจเหล่านี้ ยังไงเสียเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆคือโลกอันนี้ที่ไม่เที่ยงอันนำมาซึ่งทุกข์ใจไม่ยึดถือกับสิ่งเหล่านี้คือโลกนี้จึงขึ้นชื่อว่าเป็นผู้พิจารณาเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าแต่การเห็นโลกใบนี้เป็นของว่างเปล่าอย่างนี้ก็ยังมีเราเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นซึ่งก็คือ ยังมีอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่านี้คือเรานี้เป็นเราอยู่พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้ถอนอัตตานุทิฏฐิเสียอีกขั้นหนึ่งเพื่อที่จะได้ว่างจากโลกข้างนอกและว่างจากโลกภายในคือเราผู้พิจารณาด้วยการที่เราเห็นโลกข้างนอกเป็นของว่างเปล่าอย่างนี้จิตจึงรวมย้อนกลับเข้ามาภายในไม่ส่งแสสายไปภายนอก แล้วก็นำความสงบของใจที่รวมตัวแน่วเป็นหนึ่งนั้นมาพิจารณาสิ่งที่ใจยังเห็นว่าเป็นเราอยู่นั่นก็คือเราในส่วนที่เป็นรูปและส่วนที่เป็นนามแล้วส่วนที่เป็นรูปคืออะไรแขนสองขาสองลำตัวหนึ่งศีรษะหนึ่งนี้คือส่วนรูปแล้วอะไรที่เป็นในส่วนนามเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ สัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดนึกปรุงแตง่งวิญญาณคือความรู้เหล่านี้คือในส่วนนามซึ่งการพิจารณาในส่วนร่างกายนั้นจะให้ง่ายย่นลงให้ย่อให้เห็นได้ชัดเจนรวดเร็วก็เพียงแต่ให้ใจเราเห็นร่างกายอันนี้ถ้าโดนไฟเผาส่วนที่เหลือ หลังจากไฟเผาก็มีเนื้อหนังที่กลายเป็นเท่าส่วนกระดูกก็กลายเป็นฐานถ้าเอามารวมกันบทให้ดีสลัดขึ้นฟ้าก็ไม่ลงเหลืออะไรเลยแล้วสิ่งไหนที่ว่าเป็นเราเป็นของเราสิ่งไหนที่ว่าเป็นตัวเป็นตนไม่มีเลยสักอย่างเพียงแต่ใจเราที่มันไปยึดไปถือมันจึงเห็นว่าสิ่ง ที่ไม่เป็นสาระอันนั้นเป็นตัวเราเป็นเราเป็นของเราขึ้นมาไม่เพียงแต่รูปเท่านั้นที่ใจเรานั้นไปสำคัญผิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเหล่านี้ใจเราก็มีความยึดมั่นถือมั่นอันละเอียดยากที่บุคคลผู้ไม่ได้ฝึกจิตจะรู้จะเห็นถืออุปาทานในการยึดถือในส่วนของนามขันเหล่านี้ แต่ผู้ที่ฝึกจิตจนเป็นสมาธิรวมแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ก็จะเห็นถึงการเกิดขึ้นของนามขันเหล่านี้จะขอยกตัวอย่างการพิจารณาทุกขเวทนาเมื่อนั่งสมาธินา น, านทุกขเวทนาคือความปวดก็ออกปรากฏให้เห็นแ ร, แรกเมื่อจิตยังไม่รวมจนมีกำลังมากพอทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นก็คือทุกขเวทนาที่เป็นเรา เราเป็นผู้ได้รับทุกขเวทนาแต่เมื่อไม่ใส่ใจเอาสติมาตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจอยู่ได้ไม่หวั่นไหวเราก็จะเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นเป็นลำดับคือทุกทางกายกับทุกที่เกิดขึ้นในใจนั้นไม่ใช่ทุกข์ตัวเดียวกันทุกกายยังมีอยู่แต่ไม่มีทุกขทางใจเพราะใจสงบตั้งมั่นมีอารมณ์เดียว แต่เมื่อกำลังของสมาธิอ่อนลงใจก็จะเคลื่อนจากที่สงบตั้งมั่นไปเกาะกับทุกขเวทนานั้นแล้วทุกทางใจก็เกิดขึ้นอันเป็นผลที่จิตเข้าไปยึดไปถือตัวทุกขเวทนานั้นแต่เมื่อกำลังสมาธิของจิตนั้นมีมากขึ้นใจก็จะแยกออกจากทุกขเวทนามาตั้งอยู่สงบดังเดิมการที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ จึงเรียกว่าการเจริญปัญญาแต่การจะเห็นได้อย่างนี้กําลังของสมาธิก็มีส่วนสำคัญดังพุทธภาษิตที่ทรงตรัสในโอวาทปาติโมกสูตร oh ว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสั่งซ่าแปลว่าปัญญาอันสมาธิอบรมดีแล้วมีผลมากเมื่อเห็นอย่างนี้ จึงเข้าใจมากขึ้นไปอีกว่าแต่ก่อนที่จะนั่งทุกขเวทนาก็ไม่มีแต่เมื่อนั่งไปนานๆทุกขเวทนาทางกายก็เกิดถ้าทุกทางกายเป็นอันเดียวกับกายจริงแล้วนั้นเมื่อทุกดับไปกายก็ต้องดับไปด้วยแต่เมื่อทุกทางกายดับไปกายก็ไม่ได้ดับไปด้วยจึงได้เห็นความจริงที่ว่ากายนี้อันหนึ่งเวทนานี้อันหนึ่ง ใจนี้อันหนึ่งต่างอันต่างจริงไม่ใช่สิ่งเดียวกันดังที่เราเข้าใจมาแต่ก่อนจึงถอดถอนความสำคัญหมายว่าเวทนาเป็นเราเสียได้ด้วยอาการอย่างนี้ส่วนสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นก็มีในเหงการพิจารณาเช่นเดียวกับการพิจารณาเวทนาเมื่อถอดถอนความสำคัญหมายในรูป เวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราเสียได้อย่างนี้ใจจึงจะพบกับความว่างอันแท้จริงเพราะว่างทั้งจากภายนอกและว่างทั้งภายในยานคือความรู้ได้ผุดขึ้นในใจว่าขีนาชาติชาติคือความเกิดได้สิ้นแล้ววุสีตังพรหมจริยังพรหมจันร์เราได้อยู่จบแล้ว กตังกรณียังกิจอันควรทาเราได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทตายะกิจอื่นอันยิ่งกว่านี้ไม่มีเบื้องหน้าแต่กายแตกสลายไปนั้นมัจจุราชก็ไม่อาจจะหาพบได้อีกต่อไปเป็นสมุทเฉทมรนังคือการตายครั้งสุดท้ายเพราะถึงแล้วซึ่งนิพพานคือความดับสนิทไม่เหลือ บุคคลใดพิจารณาเห็นโลกอยู่อย่างนี้มัจจุราชก็ย่อมไม่เห็นด้วยอาการอย่างนี้แลก็สมดังพุทธสุภาษิตที่ได้ยกไว้เป็นนิเคป บ, บทเรื่องต้นว่าสุ ญ, ญโตโลกังอเวคัดสุโมคราชะสดาสโตอัตานุทิททิ่งอูหจเอวังมัจจุตโรศยาเอวังโลกังอเวคันตัง บัจจุราชาณปสติติที่ได้แสดงธรรมมาก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอจบพระธรรมเทศนาด้วยประจาละชนี้